เรื่องให้ดื่มยาโลนะโศวีรักะหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุมือเท้าด้วนคนหนึ่งพวกหมู่ญาติช่วยกันดูแลอยู่ในเรือนภิกษุณีรูปหนึ่งได้ลกล่าวกับหมู่ญาติของบุรุษนั้นว่าท่านทั้งหลายพวกท่านอยากให้บุรุษคนนี้ตายไหมพวกเราอยากให้เขาตายเจ้าข้าเพราะฉะนั้นจงให้เขาเดื่มยาโลนะโศวีรักะ จึงให้บุรุษนั้นดื่มยาโลนโสวีรกาจนบุรุษนั้นถึงแก่ความตายภิกษุณีนั้นเกิดความกังวลใจจึงเล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุณีทั้งหลายทราบพวกภิกษุณีแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีนั้นต้องอบัตรปาราชิกวงเล็บ เรื่องที่หนึ่งร้อยสามปาราชิกสิกขาบทที่สามจบ